ทำใจเหมือนธาตุทั้งห้าพระพุทธเจ้าทรงโอวาทพระราหุลให้ทําใจเหมือนธาตุทั้งห้าคือดินน้ําไฟลมอากาศดังนี้เปรียบเหมือนคนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างขูดบางมูดบ้างน้ําลายบ้างน้ําหนองบ้างเลือดบ้างลงที่แผ่นดินแผ่นดินจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดด้วยของนั้น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 ทีเ่เหมือนอากาศไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนไหนฉันใดเธอจงจเจริญภาวนาเสมอเดือดอากาศฉันนั้นเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอเดือดอากาศอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงําจิตของเธอได้ ธรรมดาแผ่นดินย่อมรับน้ำหนักของสิ่งต่างๆบนโลกไว้ได้ฉันใดเราก็ควรอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้คนในโลกไว้ได้ชั้นนั้นธรรมดาน้ำย่อมอยู่ในสภาพที่เย็นฉั้นใดเราก็ควรอยู่ในสภาพที่เยือกเย็นเสมอคือไม่โกรธไม่เบียดเบียนด้วยอาศัยขันติและความเมตตากรุณาธรรมดาไฟย่อมเผายากกิ่งไม้ใบไม้ฉันใดเราก็ควรเผากิเลสมีความโกรธเป็นต้น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 ใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบือ่อใครบน่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ า, สสน า, น า, านด จบพุทธวิธีชนะความโกรธคุณอุไรคงคาหลวงคุณสยามมนต์ศรีนินแท้คุณสุปราณีสิริสวัสดิชัยคุณชัชวานชูสกุลรองศาสตราจารย์คึกเดชกันตมระให้เสียงตัวละครคุณสุพชัยจิตตาพิรักควบคุมเสียงสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยผลิตรายการ